เรื่องไม่ต้องถือนิสัยเพราะหาผู้ให้นิสัยไม่ได้ถ้าผู้มีพระภาคตรัสอนุญาตว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดกําหนดเอาความผาสุกเมื่อไม่ได้ผู้ให้นิสัยพึ่งอยู่โดยไม่ต้องถือนิสัยด้วยผูกใจว่าเราจะถือนิสัยอยู่ในเมื่อภิกษุผู้ให้นิสัยผู้สมควรมาถึง